ธัมมจารีสุขังเสติธัมมจารีนั่นผู้ทรงธรรมบ่ขาดเสติ นำเอาธรรมประสัมมามาประกาศให้โลกฮู้สำนองแลภาคอีสานพ่อกวีโลกสถานกวีเอกบทประพันธ์อาจารย์ฉันทั้ง 3 องค์ผู้แต่งก่อนในวันนี้สำนักงานหมอลำดีเสียงคำพาพญา ชาติใต้ชีพบ่ Tuan l'han tu sam-sam putasana muntat สามหาสา am pu tat sa hm bat กล่าวบาตรพุทธเจ้านั่นองค์เฒ่าธรรมภาคดอกคำสอนอีกพระสงฆ์ผู้ทรง ในมือนี้ข้าพเจ้า ทําพระองค์นั้นลึกล่ามอยากสี่เก้าพันหลาดน้ำผู้ปัญญามาสารจังวิจาร์นุกกิ่งเกียง ในมืออันนี้จังได้ขา ดังพระธรรมในหงม่องนั้น Fon te โอ้โอ้โอ้นานในสิเทศนาดอก <N> <N> น้านี่มื้อนี้เจ้าหัวหลานสุริยาน้อยอาจารย์มา Dong din นอแม่เอ้ยผู้เก็บกินก็คือโยมท่านผู้ฟังนอกทางคายผลทั้งหลายในวันนี้มีผล แล้วฝงคุณโยมที่มาล้อมมาฟังก่อน อยากสินทรัพย์พ่อแม่โอ้ยบ่ถึงข้าวโมละมับกะปล่อยป้า <c oughs> โยบอนเดียวดอกน้ํา บัดเนยยินเสียงฟ้า เดียวนี้ย่างเพียงอิฐข้างดิหันพังเศร้า องค์โพธิ์โทนิพพาน 84000 พระธรรมคักนั้นบ่ตกเหียจักคำเดียวอยู่แน่นเหนียวยืนยง เซียนมีใจสุจิจาเอ้ยอย่างที่ เป็ดจนาก็บ่ได้พระใหม่เปียกพาเสร็จสั่ง พ่อกวีบ้านแก่งคอถือเป็นพ่อป่าอาจารย์เอ้ยฝาเล่นเอ้ยเนื้อเปรียบคือเกลือรักษาไว้ซึ่งความเข้มอย่างเต็ม The pyramids clásítulo overstire el énfini. 因為 l'jisó toloaltar em นั้นตอนนี้จบจากบทเบิกฟ้า สำกับวังเก็ดเก็ดกายเป็นวังน่อคำป่อนลาสดอนเต็มโยชน์เด็ดเต้ากายเป็นไหนท่านแม่นพวกพันชิคีมยังเที่ยงโทษเอ้ยไม่อยู่ปากในสามเยี่ยพวกเขาท่าก็พระเย็ดไข่ค่อย อันตำแหน่งใดเทื่อนี้คือภัยญาว่าหลุด เสียอย่างเดียวข่อยมังคนเคียดขานสักคนหันบ่ ตื้อเส่ามาแม่ย่านานลูกใส่บาดแตะติ่สามยามวัดฟากเพิ่นยิ เว้ามาคันก๊กแค้วซังนี่ยายปิดแนวหัวใจเป๊เอ๊ยเอ้าแป๋นขวานปามผัวของเฮากะสมานหน้าสิวางโนแล้ทัดทานปาง Oi, oi, oi, นายแม่เณรอัปปีคนเอาเงินบัดเปียดทั้งของเหออันพวกสุมหัว แม่นเป็นหยังน้อน้อน้องเวณิกาคือหน้าแข็งแท้น้อเสียงเค็งๆจ่มป้อยแม่นใจน้อยหรืออีหยังน้อบ่อยพี่มุทราฟังเมืองกันอ้าแม่นใจน้อยหรืออีหยังก็ ยามกลางเว้นก็เอาข้าวกับแนวกินไปส่งจงใส่ปากลูก fins demà! M'en t'an com' com' p'an com' m'o pei t'ang n'au Ka ui n'o k'ayang n'o k'a Amen. <sweak> ทางสวรรค์ไปทางออก can tham sang มันขยันทําเพื่อพละกุศล ตอนมองคือเดชข่าวชาวผู้ multimassalism nah. มวนพระสงของกัน เพริญสงาเรistasของสิทธิ์นาง เอ๊ยขาดมนทินเบตรสมัュหัวบ่อง ตังของง่ำเจ้าขึ้นگน มาเนาน้า เสวามวยตังคายหมายสิเทียบ ทันตัวนอปจ้างนเจ้าบอกเยืนท่านสร้างปวดทางตาอยู่ซื้อซื้อสิติีใง่โมอคือสิติีผวเอดนอกทาง กลาเเม้นมาเไปเพก็ในบุญณนั้นตองนาคําแรงเมื่อนี่ไปเขาวัดว่ายเพื่อฟังเทศแสนวิิเศษจที่ิวรานพูธูตานจะล่ากลางอํา ก้าวทะเลงสั่นดอก <coughs> <coughs> โถโถโถโถเวณิกาเอ้ยเซาๆเด้อน้องอย่าเว้าว่าสิ่งที่แม่เราก็ทําสิเป็นกรรมเป็นเวรด่าพระเนน เวณิกาเว้าตามเรื่องของความจริงเจ้านั่นเครียดซั่น อ้าวเพิ่นก็ยังว่านางเอ้ยมาพอดีพี่สิขอให้เราเว้ากล่าวชี้ในเรื่องตัวบาปเด้อตัวบุญให้เจ้าทราบ โอ้ยนั่งรอจักคราวเด้อสามตาปนะฝ่าย โตวนèveนั่นหัวโดع Bref หัวห้อง��หınıวертв บ๊อ้าพก licensed using own and new เซ่นิกาดชอกัน ส้พพูดหัวโลดหัวAAAAds свพuetไว้ไม่มันเติมหัวมาแล้ว истор ต lud่ dottedเขามาอราย เคื الفั่งแมง วังในน้ล่ว испытกิด อย่างบาลuffleคuchsแบบนี้ เยี่ย ฟังแม่เราสิเว้าตูฟังเราสิบ่อยให้ฟังไว้นี่กะเอ้ยเฮ็ดฟ้าเว้าถ่อแม่ข่อยอยากให้อยากฟังว่ามันเป็นจังได๋แท้ข่อยอยากรู้แท้ๆเรื่องจังเสียฟัง หมัดเน่ฟังเด้อสวยสานเสื้อ ฟ้าวกายาสะฟ้าวคอยฟังข่าวเอ้ยโนคิดที่คั่น เสื้อวานำน้ำมีน้ำอยู่ เสียว่าหหัวโพไปปากว่าอบาหังอิมเนิ้ยวมันสูงกคือฟ้าถึงแม้นตาสีเเลียวเห็นอันพงปากก็ทําสร้างัเจ๋ว่าจงฟางฝ่าเวอกวงพดยุงสูงจากมีฉายบนมามวงในแก้งหุงคือตาวื อามนะจะปัญหาที่ถูก <tots> เออหนังสีสะไห้ผู้เปรียบไก่ก่อนเอ้ยตั้ง นะไผตั้งย่องว่าแม่ฮู้ใคร hai chao nan tho nam ตามหลักธรรมพุทธเจ้าคั่นใครอยาก นะเมื่อได้เพลงเนื้อก้าวฟ้าวสีทอเป็น นี่ล่ะคือภาคบ้านพากันเจอจำจอดเข้านับคือตะถาโกดอย่าพีกแค๋หนอแววเวืองเมื่อบุญลึกบุญออกจากอตาล ไผเพิ่นใกล้ไกล้ไงทอมหัวเอิ่มน่ะบ่เอ้ยได้เห็น เกเอาแท้โลกสะพายอย่านาใครกูทูม i Nant L'aim I I จื้อได้บ่เวณิกาเอ้ยหาแม่หนีไปตั้งบ้านให้เจ้าเฮ็ดทำแทนแม่นเวียนงานสิมุ่งมาเลี้ยงวัดว่าอย่าลืมถิ่มเด้อคือสิพอเข้าใจแล้ว เออเออกันบ่ซั่นก็บ่ได้เป็นแม่สาธุสาธุอดเอพี่มุทธาแม่นี่กะ มันข่อยสร้างังานนั้นไหลายโพดไหลายโพดเจนอะเมงานาจไหนมากว่าค่อยกระโดก็เดียยแถไอมุทะยังคือว่าจงสนอเวดีกาญาบอดีอย่างบ้างบอกเดื้อหาลงมาดูสร้างเราดูทับุนสันบอดีให้ล่องเบ้า หม่บัดเนื้องตก พวกเสือลายเสือโค่งนั่นเสือเรื่องเกี่ยบางเลื่องข้างกบเขียดแดนนี้ไปเร่อยู่ป่าเข้าพวกตึงเผากันแย่แล่นแล่น นุกยังขาวนุกเต็ดเต็ดนุกกระหูกตาตูโซสิไปเมืองหยวนหมอเตาคืนเมื่อบานก็ตำตำนานทุกประเทศพวมกำลังสิเรือดร้อนในสมทาเจ้าเบิงเอาเรื่อพอรืม เช่นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นบางเราก็ลาย ร้อนถ้วยปากวางกะยังได้เจ้าพึ่งสามเนาะพึ่งสามดินกะยังเพิ่งน้ําน้ํากะ นะฉันได้แท้ก็คือกันกับเธอ แกกั้งนั่นหมู่ฝน เช่สิกับมาเอ็ดนุ่งภาล้ายมารุมมาอูดเส้าสิไงเม็นต่อดังดังสิไงต่อกินคูรูสิไงเม็นต่อเมียว ทางนี้ก็บ่แล้วยนต์ทายาคักกินเอิ้น จังว่าด่อน 20 เอ 10 เหมุนย่อนส่วนปอบมังเด้อสพวกเสาเข้าสิเน่าแม่นย่อนยาบ้าญ่าเอ้ยโนกับลูกไพ่หอปั้นไฟกับมือฐาน ย้อนย้อนบานเผยกระใจแป้วซื่อว่าสังกันแล้วบ่ปีแล้ว สิยอมห่างแม่นเต่าเฮือนน่ะนางจึงว่ากันฟัง เพียงไอ้น้องนี่สังใน ไสก้องเอ๋ยไส <laughs> <laughs> แต่น้องมาอยู่คั่นประมาณครวบนั้นปี 3 ที่ไว้ค้ําไผ กินแล้วโอกาส นี่เนรมาแผ่จักกว่า นางสีซอยเกียรตินะเกือนน้องสร้างเราก็ได้ 5 หลังที่ เออยามจักว่าบุญนั้นอยู่ใส่ อังเอ้อโอ้ยตองได้ยินบ่อภิมุทธาสิ่ง มื้อนี้ข่อยสิเมือบ้านเบือเฮือนข่อยดอกข่อยอยู่นําเจ้าธรรมดาผู้เฒ่าต้องเข้าวัดฟังธรรมเพื่อลูกหลานเอาอย่างนํา มันบ่เบิดเขาว่าเบิดของเบิดเงินเบิดทองกะใครแน่แหมนี่ qua kan ma nong ni nang yin ya pha e chaang lue phiao laeng chao pang lo นាงสเจจហហคุณດนี้ຮในสົបចมาลណ <Sessibilisant> <Sessibilisant> เมียจ๋านอนมันดา นาโปรดฟังขอพี่ชายนางเอ้ยนางสายแนอย่าสะไปตัว กัณฑ์เปอาแม่เพสายฟ้านะตั้งแต่ ให้คิดเบิ่งเบิ่งหน้าพุ่นแม่คงอยู่นํา นั่นแล้วโหนเจ้าผู้ดวงดอกแม่โปรดอย่าเศร้า ไล่นํากายของผัวเพ ต้องสามท่อนผัว คันบ่สมเพศได้ให้ยายวัย เทพที่สังมนาผู้อายหวงหา ป่าห้องสวยแม่นไปๆเพิ่นสิ นั่นแล้วอย่าไปถอดแม่เอ้ยน้อแม่น้ออยู่ซะน้อเอ้าขั่นจังซั่นบ่ไป บ่ว่าแต่ตกเอาฟังเด้อให้พี่ไรแม่ย่าเข้าไปนําวัดนําหลวงตาเออ คั่นนาวนาวหลังนี้บ่หนีไปอยู่วัดป่าคุณเมียขานั่นสิเว้าจ๋าต้านว่าจัง อันมานี่สิได้แกงข้าวดีเราฟังจักหน่อยนี่น่ะเอ้ยอี ย่างไปถ้วยลงตาเฒ่าผู้เราความป่วยอาพาธ เจ้าหวงวัดก็หวงพวกข่อยไปนอนดอกอยู่วัดป่าโลดอย่าสิมาอยู่นี่น้องนี่ข่อยโพดเบื่อตาข่อยก็ มองคนได้ยินข้างล่ะไปแหมเอ้ยให้ Bạch nêm mưa nạn ban đà kèo Nèo thế ba nắm cá lặng Mịt nhói lèo cả nhang Mịt nhói lèo cả nhòi nạn ngồi sầu ngầu mươn ไทยสืกสะเอิ่งเยื่อนเมื่อโยกขึ้นเพียงตาเอ้ยคำจ่าแบบมัวมองนามเนต้องจุดเหล่าเบ้มมาสังวาเจ้นโนเธ้า โอ้ยขอถ่อหลายแม่ขอเฮือนแม่น้อแม่นหม่องนี้บ่นี่ได้ดอกแม่คำ ตั้งแลงน้องแม่เฮ็ดไว้ ตนบีดงจกคอยล้างวางปลาเอ้ยนับบ่ควาย เอ้ยเงินลาคำโอ้ยโอ้ยไก่เฮ็ดบาป มีลูกชายกับลูกภัยพอได้บึงบัตยะมูทยูดยูดด้วยคำเพียงยาสะเปียงไงเครื่องเทียนมีนี้อีกอัดแน่นพอปันแก่นเขาพูดแกนยาสะว่าเนี้ยวบ่าเมียนเช้าที่ว่าที่ไทย <S an> ไอ้สึกของเจ้านั่นเลิศล้ำอย่าทำ หนาเชิญจังเลยเทอนี่นางดี mè apuk yam kao bon nan to แม่ก็ว่าแม่ก็ตาย แกแมแปลงก่อไว้นั่นกำฝ่ายกุศลทานไม้เจีย M'ut tha ơi, sắm lặp mè ni dàn, phàg tài hàn lử tài hồng Sì chìa, phục nhắm đầy, bỏ hoang nhầy, chi va tròi Qua yang liệu, cheo, bút noi, đợn tạm lối, thí mẹ nhàng Thành hù chín, hù thân, lãng, chạc đắp, no thàt, mạng, kà บ่ห่วงย่างดอกนามลูกแม่โอ้ยเอ้ย หมดเอ้ยคำพวกลูกนั่นเอ้ยอ้างแม่ยอมรับมาเป็นจริงสิ่ง ปะปังนั้นไปกี่ตายจากหน่วยเวกี่ ไหยาเตียงบรรดาไว้สำพังตาเอ้ยสะไหลมุ่นเอกบ่โดนดอกพ่อคุณแม่กะ งานอีหลีแหงนะสิบ่คิดเบิ่งแน่ติ Co pel fang Oi oi ei no Mutha oi Venica เพิ่นว่าคุณพ่อแม่นั่นรักยิ่งกว่าทรณินอินก็บ่นิยมผมลูกหล่าเอ้ยบ่แก้ว อ้าวบ่แม่นเจ้าเป็นบาดอีแหมข่อยก็ไล่เจ้าดั่งเช่นมาขิน ในที่สุดก็ตัดสินใจบวชเป็นนาง ส่วนว่าทั่วโสหาในโตนั้นๆปานด้ามว่าบ่มีแท้แล้วบัดนี้ย้อน เป็นจังใดก็ แขงเวลาลก 1 เข้าแต่ก่อนเฮาบ่ได้ ถึงสีมีความคานยอมทุนข้านโยหัวเขาคิดเขียนยาากเที่ยวแบงเข้าไงสงเจ้าอยากย่อองคอบ่าบาบกระสร้างมัทอนอสาว่าบาปโตโซสิเกงหรือสีกว่าคืออก็้มโนเเลือไอนะ สู่มื้อนี้ข่อยซ้ำไฟลนเนื้อ เอิ้นเกินขวัญสร้างคักเอ้อสุมพวกขอบกับ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 ในมือนี่โอกาศดีมือนี่หน่าสิบ้าวต่อพัวเจ้าของหาทั้งป่องดัฐสินภาพบ้อยมาโนกายใกลมนะว่าจังไหนหน่าพัวแก้วในวงเค้าเสืออีพอโอ้โหโหดัฐสินภาพเจ้าเคยบอกค่อยสิบ้าก็เรื่องให้มวนมูพระนันดอกไทยหน่าจากควงห้า อิ่มถามถ้าใส่บักเซา คั่นหากเจ้านั้นบ่กล้าฟ้าว โอ้เจงบอกคําจริงเบิ่งดูแล้วแนว <S an> โอ๊ยน้องเป็นจังได๋ญาติเมียแพงเจ้าสิกล้า ไปนั่นสิพาเจ้าขัวบักพริกแข่งหลายๆเอาไปเทเดี๋ยวๆๆนางเอ้ยแนวพระรูปมายามเมื่อเช้า เจ้าสิว่าจังได๋เจ้าสิเฮ็ดนําข่อยบ่ท่อมุทธาแม่นา <ärke> <aka> ทางมาจองไปทั่วชวน ต่อว่าพ่อยันคยยาานมีลอยมากแทงหรือืออดาบแร้งพันฟังย่ออนให้ค่อย้มบพี่นองขุกคงฟังเรียนหลอบนาังค่อยมาวกมากคือบางไฟก็รอดแแต่พ้ากันแจบอกนนะเบ้าเป็นนทางเลงก่า นาเลี่ยมตำราก่อนจักเทียวล่อเดียวเด้อวัดไว้<ท> อํานะกระสวน <laughs> พร้อมแต่เมื่อผัวพ่อน้อมรับภาคประกาศิพิษ เอานําตะหลอเส้นฝากให้แม่นตะลางคุกที่ แต่แดงว่าทุกสิ่งล้วนผัวสิแปลว่าเป็นแรงนะชวนผมแดงพระธรรมท่อนหมอ จ่อผู้ฮู้ก็เว้า คุณเมียเอ้ยเฝ้าเตรียมท่าเสียเวลาข้าแต่เว้าจวดสองสามี ผงเทใส่บาทพระสงฆ์แต่ละองค์ต่างก็ทั้งไอและจามสิ่งที่ทําถือเป็นเรื่องขบขันทั้ง 2 นั้นต่างพอใจพากันหัวเราะจนท้องกดท้องแข็งก็ บัดนี้ย้อนกล่าวบ้านยายๆยายชรา อาเดตการที่กายลวงบอสวังคื้นได้พอโนยคอยผ่านไปเลื่อยเลื่อยพอป่านอามที่อื้อไหล ย้อนกล่าวน้ําผู้เทพไทยที่ไทยลูกนั่นใคร ไก้ไกลถึงฮอดนางไผน่ะเห็นพระ สร้างลาเจมัวมองมีของอยากโอ้ยผู้แก้ว โอ้ยเจ้าหยังเพง้อมากิ่ง เจ้าสิเป็นบักไข่ตกปลายน่ะว่าแล้วเสาพื้นผ้า โอ้ยมั่นแม่นเพศหรือมั่นยังบางดวงตา <tots> มุทาเอ้ยแม่นี่นั้นออกฮ้อนเชิญลูกอ่อนแทบได้นับแม่สิกลับไปเตือนสอนให้ ค่าต้องเปลี่ยน โอ้ยรับปดบาดสมุนพอบ่ได้สอนแซ่ียมในทางลายจัก 1 คำน่ะ ลือเบาหนักยอมแบกข้ามเทินบุตร หากลูกใช้ข้าแข่วสิเนาวดิงจริงจูดตอบสนองพระจอมพุทธโดยทูบเทียนบุภาวมข้าแต่ซะกะเหงาพุกข้าเอ้ยจากใจเนี้ย โอมโอ้ยโอมดองสาธุเด้อยายลูกผู้ เขาจะได้ระวังและสังวรต่อไปก็มีในคราว อยู่มามื้อหนึ่งนั้นสามีป่วยก็ โสนิยของแม่ศอกห่าไว้จ่อยนะมีแต่เพียงมุทธา เห็ดแนวบ้านเพิ่นบ่พร้อมสมปจอมบ่ป่วนเหมือน Nam talai phong อุไຫ่พ้องจําไให้จุนล้านีียงวิ้นจุลุกบเกนตวงซื้อันดลทู <Sessimus> สวดเป็นไปสาละพัดจากสิปันลานางๆฟังมาวังกันเพียงพอความตายสิเบียดพันน่ะเอิ้นสิอุ่นวินัยกะ นะวามาดึงเจ้าผู้เชื่อชาติแม่ที่บวชที่เจ้านำนามนะ พี่นี่พว้ามตะลายมาเบิงใจผู้ผู้อ้ำ มาเบิ่งเด้ออ้อยร้อยกายเป็นกางใบตองกุ้งมาเบิ่งยุงย่างหนาทุกคนฝันจนจมพื้นนามาเบิ่งพื้นป่าใหม่น้อยที่พอยกลายเป็นผ้ากะยางมาเบิ่งแสงที่ห้อยห้อยๆที่ห้อยคุมส่ำนี่ นาติด มันเกว ห่างใจลงในทวงบาดทวงเตงทรทรทางนะเสือ โทษใจหลวงในคราวนี้นะบ่แม่นพี่บ่ Bò menn hag bò menn Pee bò atun jao tàn Dai em Na Sèp keau paay su khos Saye p'an taf tai si m'ang munt Na Noi nüng p'an ma Su Noi nüng p'an le'an t'ong Dai l'o ng hong wa phong Woo Na Sgang ma k'yip Po nyay p'o i le'an T'yoon han pe ch'i pa Ch'un keb ta l'o t'yên Nei l'o ทางต้องกำแหน พี่นี่ คั่นเปตายนางน่านถือคั่นพานดอกไม้โค ก่อนน้ําล้างตัวขาวางสีแหมหามนาม นายมุทธาได้สั่งเสียศีภรรยาวะอโปสขยะขัจจติอันว่า เป็นจังศักกุโนเจ้าศักกุโนติดค่ายห้าปีน้อยแท้ๆสิ ในตอนนี้ความมีหนังขังคอจักขัง ล้มออกเล่นป่นหน้าแล้งทําเธอแสงเสียงวาจามือกา มาย้อนนี้กะนั่นพาเอ้ยฉากชวนผู้ผัวคั่นชวนทํากรรมโอ้ยตกถึงบาทเข้าสวย ทำทำจะเจออยู่แน่ๆพอ <Wow. S 2> ว่าโอ้นอของโอ้นอจักโอ้นอหรือโอ้นอเฮานี่เกิน nyong an เทียนี้นั่นความพลาดพร่างบ่สังกิโลไข่หลายปานใด นี่ล่ะโลเพิ่นว่าบุญบ่พร้อมเพิ่น โอ้ยคําว่าสุขเลี้ยงน่ะมุทาเอ้ยที่ ปั่นขนทมที่จมดิน จอมปนาจเออฝ่ายน้องคือจ่าฟ้องให้ยา ยิกวันกว่าแท้มาไว้ไว้ M'ya ni piét jang ing โอ้ยกันเป็นสาวดาดิสิพา <tries> โอ้ยหนองโยจะปุเพปมัจจิตตวาปัจฉาโสนัพปมัจฉติโสมัง คือนางดวงจันทร์เจ้าจันทร์เพ็ญ 15 ค่ำพลจากเนกทาง